พุทธธรรมฉบับปรับขยายชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไรบทที่12บุคคภาคของการศึกษาหมวดที่หนึ่งปรตโตโคสะที่ดีเท่ากับการยานามิตรบุคคภาคของการศึกษาหรือบุคพานิมิตแห่งมัชฌิมาปฏิปทาสัมมาทิฏฐิเป็นองค์ประกอบสำคัญของมัช ในฐานะที่เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติธรรมหรือเป็นขั้นเริ่มแรกในระบบการศึกษาตามหลักการของพระพุทธศาสนาและเป็นธรรมะที่ต้องพัฒนาให้บริสุทธิ์ชัดเจนเป็นอิสระมากขึ้นตามลำดับจนกลายเป็นการตรัสรู้ในที่สุดดังกล่าวมาแล้วดังนั้นการสร้างเสริมสัมมาทิฏฐิจึงเป็นสิ่งสาคัญยิ่งมีข้อความในพระไตรปิฎก แสดงหลักการสร้างเสริมสมาทิฏฐิไว้ดังนี้ภิกษุทั้งหลายปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งสัมาทิฏฐิมีสองประการดังนี้คือปาระโตโคสะและโยนิโสมนัสิการและว่าส่วนปัใจจัยให้เกิดมิจฉาทิฏฐิก็มีสองตรงข้ามจากนี้คือปาระโตโคสะที่ไม่ถูกต้อง และอายุนิโ s มนณสิการปัจจัยแห่งสมาธิสองอย่างตามพุทธพจน์ที่ตรัสไว้นี้คือหนึ่งปารตโตโคสะเสียงจากผู้อื่นการกระตุ้นหรือชักจูงจากภายนอกเช่นการสั่งสอนแนะนำการถ่ายทอดการโฆษณาคำบอกเล่าข่าวสารข้อเขียนคำชี้แจงอธิบาย การเรียนรู้จากผู้อื่นในที่นี้หมายเอาเฉพาะส่วนที่ดีงามถูกต้องเฉพาะอย่างยิ่งการรับฟังธรรมะความรู้หรือคำแนะนำจากบุคคลที่เป็นกัลยาณมิตรข้อแรกนี้เป็นองค์ประกอบฝ่ายภายนอกได้แก่ปัจจัยทางสังคมอาจเรียกง่ายๆว่าวิธีการแห่งศรัทธา 2. โยนิโสมนสิการคือการทำในใจโดยแยกไายหรือการใช้ความคิดถูกวิธีความรู้จักคิดคิดเป็นหรือคิดยังมีระเบียบหมายถึงการรู้จักมองรู้จักพิจารณาสิ่งทั้งหลายโดยมองตามที่สิ่งนั้นๆมันเป็นของมันและโดยวิธีคิดหาเหตุผลสืบค้นถึงต้นเขาสืบสาวให้ตลอดสาย แยกแยกสิ่งนั้นๆหรือปัญหานั้นๆออกให้เห็นตามสภาวะและตามความสัมพันธ์สืบทอดแห่งเหตุปัจจัยโดยไม่เอาความรู้สึกด้วยตัณหาอุปาทานของตนเข้าจับข้อ2นี้เป็นองค์ประกอบฝ่ายภายในได้แก่ปัใจจัยในตัวบุคคลอาจเรียกง่ายๆว่าวิธีการแห่งปัญญา มีพุทธพจน์แสดงปัจจัยทั้งสองนี้ในภาคปฏิบัติของการฝึกอบรมเน้นถึงความสำคัญอย่างควบคู่กันดังนี้ปัจจัยแรกสำหรับภิกษุผู้ยังต้องศึกษาเรามองไม่เห็นองค์ประกอบภายนอกอื่นใดมีประโยชน์มากเท่าความารรามีกัลยาณมิตรเลยปัจจัยที่สอง สำหรับภิกษุผู้ยังต้องศึกษาเรามองไม่เห็นองค์ประกอบภายในอื่นใดมีประโยชน์มากเท่าโยนิโสมนาสิกาเลยปัจจัยทั้งสองอย่างนี้ยอมสนับสนุนซึ่งกันและกันสำหรับคนสามัญซึ่งมีปัญญาไม่แก่กล้ายอมต้องอาศัยการแนะนำชักจูงจากผู้อื่นและคล้อยไปตามคำแนะนำชักจูงที่ฉลาดได้ง่าย แต่ก็จะต้องฝึกหัดให้สามารถใช้ความคิดอย่างถูกวิธีด้วยตนเองได้ด้วยจึงจะก้าวหน้าไปถึงที่สุดได้ส่วนคนที่มีปัญญาแก่กล้าย่อมรู้จักใช้โยนิโสมนัสิกาได้ดีกว่าแต่กระนั้นก็อาจต้องอาศัยคำแนะนำที่ถูกต้องเป็นเครื่องนำทางในเบื้องต้นและเป็นเครื่องช่วยส่งเสริมให้ก้าวหน้าไปได้รวดเร็วยิ่งขึ้นในระหว่างการฝึกอบรม การสร้างเสริมสมาธิฏฐิด้วยปัจจัยอย่างที่หนึ่งคือเปรโตโตโคสะก็คือวิธีการที่เริ่มต้นด้วยศรัทธาและอาศัยศรัทธาเป็นสำคัญเมื่อนำมาใช้ปฏิบัติในระบบการศึกษาอบรมจึงต้องพิจารณาที่จะให้ได้รับการแนะนำชักจูงสั่งสอนอบรมที่ได้ผลดีที่สุดคือต้องมีผู้สั่งสอนอบรมที่เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติมีความสามารถและใช้วิธีการอบรมสั่งสอนที่ได้ผล ดังนั้นในการศึกษาอบรมจึงจำกัดให้ได้ประโตโคสะที่มุ่งหมายด้วยหลักที่เรียกว่ากัลยานมิตรตาหรือการมีกัลยานมิตรส่วนปัจจัยอย่างที่สองโยนิโสมนาสิการเป็นตัวหลักการใช้ปัญญาซึ่งจะต้องพิจารณาว่าควรใช้ความคิดให้ถูกต้องอย่างไร เมื่อนำปัจจัยทั้งสองมาประกอบกันนับว่ากัลยาณมิตรตาเป็นองค์ประกอบภายนอกและยนิโสมนสิการเป็นองค์ประกอบภายในถ้าตรงข้ามจากนี้คือได้ผู้ไม่เป็นกันลยาณมิตรทำให้ประสบปารโตโคสะที่ผิดพลาดและใช้ความคิดผิดวิธีเป็นอ น, นิโสมนัสิการก็จะได้รับผลตรงข้าม คือเป็นมิจฉาทิฏฐิไปได้ปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิสองประการนี้มีหลักการบางอย่างที่ควรทราบดังต่อไปนี้บุพนิมิตที่หนึ่งปรารโตโคสะกัลยานามิตรวิธีการแห่งศรัทธาปารโตโคสะ หรือเสียงจากผู้อื่นที่จะให้เกิดสัมมาทิฏฐิได้ก็คือเสียงที่ดีงามเสียงที่ถูกต้องเสียงที่บอกกล่าวชี้แจงความจริงมีเหตุผลเป็นประโยชน์เฉพาะอย่างยิ่งที่เกิดจากความรักความปรารถนาดีเสียงดีงามถูกต้องเช่นนี้เกิดจากแหล่งที่ดีคือคนดีคนมีปัญญาคนมีคุณธรรมคนเช่นนี้ทางธรรมะเรียกว่า สัตบุรบบุษบ้างบัณฑิตบ้างถ้าคนดีคือสัตบุรุษหรือบัณฑิตนี้ไปทาหน้าที่ช่วยเหลือแนะนำสั่งสอนชักนำสัมมาทิฐิให้แก่ผู้อื่นก็เรียกว่าเขาทำหน้าที่เป็นการยานมิตรคำว่าสัตบุรุษตามบาลีเป็นสัปปุริสะจะเขียนอย่างลูกครึ่งเป็นสัตบุรุษ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 ถ้าสัตบุรุษมาลำพังก็หมายถึงพระพุทธเจ้าลงมาทั้งหมดคำว่าบัณฑิตก็ใช้ได้ตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาว่าโดยทั่วไปอริยะสัตบุรุษและบัณฑิตใช้ในความหมายที่คาบเกี่ยวกันบางทีก็ใช้แทนกันแต่ถ้าจะเอาหลักตามพุทธพจน์บัณฑิตคือผู้บรรลุอัฏฐะสอง ดังกล่าวในตอนก่อนซึ่งในยะอื่นยังมีอีกส่วนสัตว์บุรุษคือผู้มีคุณสมบัติดังจะกล่าวต่อไปแต่บุคคลผู้แสวงสมาธิิไม่จำเป็นต้องรอให้สัตว์บุรุษหรือบัณฑิตมาหาตนตรงข้ามเขายอมกระตือรือร้อนที่จะไปหาไปปรึกษาไปสะดับฟังไปขอคาแนะนาชี้แจงสังสอน เขาร่วมมออยู่ใกล้ตลอดจนศึกษาแบบอย่างแนวทางจากบัณฑิตหรือสัตบุตรนั่นเองการกระทำของเขาอย่างนี้เรียกว่าการเสวนาสัตบุรุษหรือคบหาคนดีตามบาลีเป็นสับปริสัจสังเสวะหรือสับปริสุปสังเสริวหรือสับปริสุปัิสยะหรือสับปริสุปนิสยะ หรือสัตบุริสเสวนาหรือบัณฑิตเสวนาก็ได้แต่ไม่ว่าสัตบุรุษจะมาทำหน้าที่ให้หรือบุคคล น, นั้นจะไปคบหาสัตบุรุษเองก็ตามในเมื่อมีการยอมรับหรืออิทธิพลต่อการเกิดขึ้นแล้วก็เรียกว่าเขามีกัลยาณมิตรแล้วเรียกภาวะนี้ว่ากัลยาณมิตรตาแปลว่า ความมีกัญยานามิตรกัลยานามิตรมิได้หมายถึงเพื่อนที่ดีอย่างมีความหมายสามัญเท่านั้นแต่หมายถึงบุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติที่จะสั่งสอนแนะนำชี้แจงชักจูงช่วยบอกช่องทางหรือเป็นตัวอย่างให้ผู้อื่นดำเนินไปในมรรคา่แห่งการฝึกฝนอบรมอย่างถูกต้องในคำภีวิสุทธิมรรคท่านยกตัวอย่างเช่น พระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกครูอาจารย์และท่านผู้เป็นพระหูสูตรทรงปัญญาสามารถสั่งสอนแนะนำเป็นที่ปรึกษาได้แม้จะอ่อนวัยกว่าในกระบวนการพัฒนาปัญญาความมีกัลยาณมิตรนี้จัดว่าเป็นประดับความเจริญปัญญาในขั้นศรัทธาส่วนในระบบการศึกษาอบรมความมีกัลยาณมิตร ควรมีความหมายครอบคลุมทั้งตัวบุคคลผู้อบรมสั่งสอนเช่นพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นต้นทั้งคุณสมบัติของผู้สอนทั้งหลักการวิธีการอุปกรณ์อุบายต่างๆในการสอนและการจัดดำเนินการต่างๆทุกอย่างที่ผู้มีหน้าที่ให้การศึกษาจะพึงจัดทำเพื่อให้การศึกษาอบรมได้ผลดีตลอดจนหนังสือสื่อมวลชนบุคคลตัวอย่างเช่นมหาบุรุษ หรือผู้ประสบความสำเร็จโดยธรรมและสิ่งแวดล้อมทางสังคมทั้งหลายที่ดีงามเป็นประโยชน์เท่าที่จะเป็นองค์ประกอบภายนอกในกระบวนการพัฒนาปัญญานั้นได้